ทานมาศึกากนอนงสา ค, ครับก็ผมก็เป็นลูกสิทธิ์หลงตามาตั้งแต่สมัยตอนอยู่สารแพ้่งใต้แล้วก็ปฏิบัติบ้างแล้วก็ทิ้งมาจนใช้ระยะเวลานา น, านพอสมควรจนกระทั่งได้กลับมาพบกับท่านนันอีกครั้งหนึ่งท่านนันก็พยายาม ชักจูงพยายามชักชวนให้ให้กลับมาปฏิบัติก็ทิ้งบ้างไม่ปฏิบัติบ้างก็เริ่มเลยก็เลยคิดย้อนไปตั้งแต่สมัยตอนที่หลวงตาได้สอนตอนอยู่สารแพ่งใต้หลวงตาก็ได้สอนว่าผู้รู้ผู้รู้ตั้งแต่ตอนนั้น ก็ยังไม่เข้าใจก็ได้แต่ฟังเปล่าๆฟังไปฟังไปเรื่อยๆอย่างนั้นแต่ว่าไม่รู้ว่าผู้รู้ก็คือใครจนกระทั่งได้มาอยู่ที่ศาลอุทธรภษักสามเนี่ยก็ได้มาโหลดจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาฟังธรรมะของหลวงตาที่เทศสั่งสอนแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วก็ฟัง ในตอนที่ชื่อว่ารู้ทุกคิดไม่ติดไปคิดอย่างไรได้แต่รู้ไม่หนีไม่สู้ไม่ทำลายเพียงแค่รู้อยู่ที่ใจก็ได้ถึงจะได้ทราบว่าผู้รู้คือใครพึ่งพึ่งจะมาเข้าใจตอนตอนที่มาฟังเนี่ยแล้วผมก็เลยอัลโลดจากอินเทอร์เนต็ตมาใส่ไว้ในแผ่นในแผ่นดิสก์เล็กๆอ่ะครับแล้วก็ใส่เครื่องฟังแล้วก็จะฟัง อันไหนที่ที่เราชอบที่เราคิดว่ามันตรงกับเราเราก็จะฟังซ้ำซ้ำซ้ำอยู่เรื่อยๆจะฟังบางทีเวลาตอนทำงานว่างๆไม่มีอะไรก็จะเอามาเปิดฟังบ้างหรือว่ากลับไปที่บ้านซึ่งบ้านอยู่กรุงเทพแต่พอเวลามาม า, มาทำงานที่นี่ก็จะอยู่คนเดียวก็จะอยู่ที่บ้านคนเดียวก็จะเอามาฟังตอนตอนกลางคืนตอนเย็นอะไรเงี้ยครับ ก็แต่ครนี้ก็ไม่ได้นั่งสมาธิมากเพราะว่ามันนั่งนานไม่ได้เกิเวลานั่งไม่เกินสิบห้านาทีมันก็จะอยากจะออกแล้วครับก็แต่ว่าจะฟังแล้วก็จะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันหรือชีวิตในการทำงานอย่างอย่างเช่นในเทศของหลวงตามีอยู่ตอนหนึ่งที่หลวงตาสอนไว้ว่า เวลาเราไปที่ไหนหรือเราไปปฏิบัติธรรมหรือไปที่อื่นให้เราดูแต่ตัวเองไม่ให้ดูผู้อื่นซึ่งผมเนี่ยเวลาว่างผมก็จะไปออกกาลังกายที่ตามสวนสาธารณะและผมก็จะไปคนเดียวพอไปคนเดียวผมก็จะไม่พูดกับใครพอไม่พูดกับใครเราก็จะไปมองคนอื่นว่าคนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้มาเห็นแก่ตัวคนโน้นคนนี้จะไปมองคนอื่นพอพอมองนาะนๆะปนะุ๊บนึกถึง คำเทศของหลวงตาขึ้นมาได้ฉุกคิดขึ้นมารีบกลับทันทีเลยครับเพราะว่านึกถึงที่หลวงตาสอนมีอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าพวกที่ไปปฏิบัติธรรมอะเวลากลับมาแล้วก็จะชอบไปวิจารณ์คนอื่นว่าคนนู้นเห็นแก่ตัวคนนู้นไม่ดีคนนู้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้มองตัวเองแต่ไป ม, มองแต่คนอื่นพอผมไปที่สวนสาธารณะไปออกกําลังกายผมก็ทําแบบนั้นเหมือนกัน พอเวลาผมออกกาลังกายผมก็มองคนนี้อุ๊คนนี้เห็นแก่ตัวมากเลยคนนี้โอ้คนนี้นิสัยไม่ดีเลยคนนี้มาไม่ยอมเผื่อแผ่คนอื่นเลยมานั่งแช่อย่างเดียวไม่ยอมลุกให้คนอื่นมาเล่นบ้างอะไรเงี้ยผมผมก็พอมองไปพ อ, องมาอุ๊ยเราเป็นมองแต่คนอื่นแต่ไม่มองตัวเองเลยก็เลยได้ฉุกคิดปุ๊บกลับขึ้นมาทันทีเลยทันทีตรงเนี้ยครับแต่ครั้นี้อ่าปัญหาของผมเนี่ยก็คือมันจะ จะมีอาการเหมือนกับมึนๆทึบๆตื้อๆคล้ายๆเกียดเหมือนกันนะจะมีอาการบ้านหมุนมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแล้วนะตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่เคยเป็นมามันจะมีบ้านหมุนแล้วก็ตอนเช้าๆเนี่ยมันจะมึนมึนทึบๆมันจะไม่โล่งมันจะไม่ไม่ไม่ไมค่อยสดใส ค, ครับไม่ทราบว่ามันเป็นปัญหาทางกายหรือว่าเป็นปัญหาทางใจ มันมาจากเออไม่ได้อย่างใจเวลาพอต้นทำไรหรือว่าปฏิบัติหรือทั้งโลกเลยก็ตามถ้าไม่ได้อย่างใจต้นมีความเครียดอยู่ข้างในคือความไม่ได้อย่างใจอยู่ข้างในตัวนี้เป็นเหตุต้ mm hmm. นต้องรู้ต้นทานมันละละมาได้ได้ต้ mm hmm. นนึกว่าเออมันมก็ปล่อยวางแต่แท้จริงมันไม่ได้ปล่อยมันเหมือนกับที่ที่ที่โยมที่ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราปล่อยวางหรือเก็บกดอะโยมข้างหลังท่านนะ่ะที่ถาม นี่คือคือเราเนี่ยพอเราเริ่มมามองตัวเราเองตอนแรกเราไปมองคนอื่นเราเลยวิพากษ์วิจารแต่คนอื่นแี่ี่พอเราเริ่มมามองตัวเราเองนี่พอเราก็จะเห็นตัวเราเองแะ้ว่าตัวเราเองอ่ะมันชอไปวิพากษ์วิจารคนอื่นเดินรามองเห็นแต่คนอื่นเราก็เลยวิพากษ์วิจารณเข้าไปทั่วเลยนี่พอเรามองมองตัวเองเราเลยเห็นว่าตัวเราเนี่ยไปวิพากษ์วิจารคนอื <S <S 2> <S 2> <S 2> ่นนี่ขั้นที่สองพอเราเริ่มมามองตัวเเองแล้วเราเลยเห็นตัวเองอ่ะบกพร่อง พอเราเห็นตัวเองบกพ้องเราก็พยายามสะกดไว้หรือเวลาผอมัน well, ม so so ันสะกดไว่มากๆแล้วแล้วเราก็ไม่ได้อย่างใจสะกดไม่อยู่มั่งหรือว่าไปพอมันไปกระทบอย่างื่นมันก็เลยไม่ได้อย่างใจไปด้วยพอไม่ได้จอย่างใจอย่างหนึ่งต่อไปก็ไม่ได้อย่างใจอย่างอื่ไม่ได้ใหญ่ใจงี้ความจริงอ่ะคือมันไป็สะกดไปข้างไหนมันไปสะกดไปข้างไหนคือไอ้มันเนี่ยเดี๋ยวจงจะออกไปอีกแล้วออกไปอีคนอีกล่วไปเพื่อวิจารณ์อย่างนูอย่างงี้แหละมันก็เลยบางทีเรา พอไม่ได้อย่างใจเรื่อื่นเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้อย่างใจอย่างใจตัวเองที่ตัวเองพยายามจะทําไม่ได้อะไรก็ตามในใจตัวเองมันก็เลยกลายเป็นเครียดเครียดเดือดไรเรื่อยๆอันนี้คือท่านต้องปล่อยวางดีชั่วต้องปล่อยวางหมดในใจเราท่านจะเอาดีไอ้ตัวนี้เนี่ยพอท่านจะเอาดีจะให้มันเป็นดีชั่วไม่มีพอท่านจะให้เป็นดีหมดให้ชั่วไม่มีดีชั่วปล่อยวางหมด สุขทุกไปวางเลยรู้สื่อๆผู้สื่อๆผู้สื่อๆรู้สื่อๆไม่เอาดีไม่เอาชั่วไม่เอาส ง, งบไม่เอาไม่ส ง, งบหรือพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพุธทธานบอกว่าส ง, งบก็เอาไม่ส ง, งบก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละไม่เกียดอะไรเลยนั่นก็ดี รูส้สึกซรู้สึกงต้งที่จะแก้ปัญหาเรื่องปล่อยวางเรื่องความเครียดนี่รู้สึกมันปฏิบัติยากเหมือนกันนะครับมันเป็นการทําแต่ว่าจะพยายามลองลองฝึกดูครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันความเครียดมันอยู่ข้างในก็จะปล่อยวางไม่ค่อยได้มันเหมือนกับมันเราต้องมีภาระมีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยก็เลยจะนึกถึงอย่างนี้ตลอดไม่ใช่ เราต้องเหนือแท้จริงเราเนี่ยเหนือไม่ใช่เราเป็นความเครียดความเครียดเป็นเราเราต้องเหนือความเครียดนั้นเดี๋ยวความเครียดนั้นไม่ใช่ว่าเด็กที่เหนือก็เพราะว่าแท้จริงเราแท้แท้เนี่ยเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณที่มาเกิดวิญญาณที่ไม่เกิดวิญญาณแท้แทเนี่ยวิญญาณแท้เหมือนทองแท้เนี่ยที่ไม่มีแร่ธานอย่างอื่นปอมปนแล้วเป็นทองแท้ร้อทอง้ยป็นคือทองแท้วิญญาณแท้ที่มาเกิดเนี่ย ที่ไม่มีอวิชชาปอมปนเนี่ยอันนี้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยเป็นอาสรีรางพระเจ้าตรัสว่าเป็นอาจิตจิตหรือวิญญาณแท้ๆเป็นอาสรีลังไม่มีรูปพรรณสัตว์ใดเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณสัตว์ใดๆไม่มีอะไรอยู่ในนั้นได้เพราะวมันไม่มีอะไรเลยมันจะไม่มีอะไรในนั้นได้ไม่อาจคิดไม่อาจนึกไม่อาจตึกไม่อาจตองไม่อาจกระเพื่อมไม่อาจไหวตัวได้ ไม่อาจแทรกแซงอะไรได้ไม่อาจว่าจะเอาอย่างนี้จะเอาอย่างนั้นไม่เอาได้คือได้แต่รู้อย่างเดียวเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่สร้างมาได้แต่รู้เป็นธรรมชาตินะเป็นธาตุเรียกเป็นธาตรู้ธาตคือคุณสบัติตามธรรมชาติได้แต่รู้อย่างเดียวตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีเลยไม่อาจแทรกแซงอะไรได้ไม่อาจมีกิริยาการตกกันข้ามได้เราจะแท้เลยอ้นั่นแหะคือวิญญาณแท้ๆที่มาเกิด แต่ที่ม <cho> right ันเกิดแล้วผสมแล้วก <Yes. S 1> ับไอ้ที่สเปิร์มของพ่อผสมกับสเปิร์มของพ่อที่เป็นธาตุดินไข่ของแม่ที่เป็นธาตุน้ําที่ผสมพันธ์กันแม่กับพ่อร่วมประเวรีกันแล้วก็สเปิร์มของพ่อเขาเข้าไปในไข่ของแม่สเปิร์มเป็นธาตุดินแล้วก็นะไข่ของแม่เป็นธาตุน้ําเริ่มต้นอย่นั้นแล้วก็แม่ก็กินสัตพืชสับสัตว์สับพืชสัสัตว์ก็เป็นธาตุดินแล้วก็กินน้ํำก็กินอากาศเอกินลมหายใจเข้าไปกินลมกินไฟกินความอบอุ่นเข้าไปเอาไปสันดาบ เนี่ยแล้วก็กินกันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันมีตัวที่ไหนตอนนะั้นยังไม่มีตัวยังคิดนึงตัวตอมปรงแต่งไม่ได้นะยังคิดถึงตัวตอมปรงแต่งไม่ได้แต่็จแล้วจมกระตั้ง parties, กินสับฟื้นสับสั์กินน้ําเลือดน้ำเหลืองแล้วไม่ได้กินหมูวัวควายไปเป็นตัวๆหรอกได้แต่น้าเลือดน้ําเหลื อ, ลองก็ไปนั่นเองสุดท้ายเนี่ยที่เข้าไปดูดเข้าไปทางสายลกอ่ะไปเข้าไปในเลือดเนี่ย น้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรนั่นแน่ของซา er กพืักของซากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ยพองมาทุกวันเนี่ยตอนเช้าเราก็กินมากลางวันก็กินมาเย็นพวกท่านก็กินมาน้ำเลือดน้ำเหลืองทั้งนั้นเนี่ยที่ดูเขาไปได้นะน้ำเลือดน้ำเหลืองที่เอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายท่านจะบวมมาเป็นตัวพองมาจนอ้วนใหญ่สูงเนี่ยน้ำเลือดน้ำเหลืองสัตว์ทั้งหลายทั้งนั้นเนี่แล้วกินลมกินน้าแต่ท้าก็กินน้าเนี่ยเดี๋ยวกินน้ากินลมกินน้ากินไฟกินความร้อนแล้วก็ ไอ้ก้อนเลือดนก็พูดไม่ได้มีกองรู้ส ah, ึกน go <hopeless> ึกคิดลงไม่ได้น like ู่นเนี่ยวิญญาณมาแล้วเพราะวก้อนเลือดนั้นโตมาต้องควรแล้วผสมดินน้ำลมไปโตก็ต้องควรแล้ววิญญาณแท้ๆนเราเนี่ยเนี่ยวิญญาวิญญาณแท้ๆวิญญาณแท้เหมือนทองแท้ร้อยเ็นวิญญาณร้อเ็ที่ไม่มีไม่มีอวิชาพนมีแต่ความรู้มีแต่ความรู้ความรู้ก็ไม่มีอาการด้วยตัวตนก็ไม่มีรูปร่างก็ไม่มีมีวดวงก็ไม่มีไม่มีดวงไม่มีแสงสว่างไม่มีมืดไม่มีสว่าง ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีกิริยาการตกงกันข้ามได้ไม่สำไม่อาจคิดนั่นคือตอนพุ่งแต่งได้มีแต่ความรู้อย่างเดียวเป็นเรียกว่าธาตุรู้หรือวิญญาณแปลว่าวิญญาณภาษาบาลีแปลว่ารู้จึงเรียกว่าวิญญาณเป็นวิญญาณเท่านั้นเองที่เป็นรู้อย่างเดียวอย่างอื่นไม่เป็นเลยไม่เป็นอะไรไม่ได้เลยรู้ที่ว่างเปล่าจับตัวตนหรือเรียกว่าวิญญาณหรือก็เรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจก็คืออันเดียวกัน วิญญาณที่มาเกิดเนี่ยเรียกว่าจิตหรือเรียกว่าใจหรือเรียกว่าเพื่อแยกจากกิริยาการของจิตเรียกว่าจิตเดิมเดืแท้จิตแท้ใจแท้คือไม่ถึงว่าเหมือนทองแท้เพียบกับทองแท100้ร้อยเปอร์เ็นคือไม่มีอะไรปอลอมปลดแล้วจิตแท้หรือใจแท้เนี่ยมีแต่ความบางเปล่ามันจะเป็นความรู้สึกว่าในใจนะเป็นความว่างเวงว่างเหมือนอย่างธรรมชาติรอบตัวท่านเนี่ยเรียกว่ามาหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิม เรามาจากจั ก, กรวาลเดิมที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยไม่มีรูปร่างอะไรเลยที่หลวง ป, ปู่ดูนาตุโลพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นเจ้าแห่งจิตอะที่ตอนที่จะดับจิตสุดท้ายที่ท่านว่าเราปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อมาถึงจุดนี้เนี่ยคือมหาสุญญาตาหรือจั ก, กรวาลเดิมกลับคืนสู่จั ก, กรวาลเดิมแค่นั้นเองเรามาจากความว่างเปล่านะแล้วกลับเรากลับมามีพลังงานคือมีความรู้สึกนมีคิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็มีศาสารคือมีร่างกายขึ้นมา เสร็จแล้วก็แตกดับสสารก็แตกดับพลังงานก็ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความรู้สึกเมืกิดอารมณ์ก็ดับไปเพราะเป็นพลังงานแล้วก็สสารก็สิ้นลมไม่จ่าแตกดับเน่าเปื่อยผุพังไปกลับไปเป็นธาตุตามเดิมดินน้ำลมไปส่วนวิญญาณกลับคืนสู่ความว่างเปล่าเรามาจากความว่างเปล่านะจะกลับคืนสู่ความว่างเปล่าส่วนพลังงานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นพลังงานก็ดับหมดร่างกายรูป ก็ดับแล้วแต่วิญญาณกลับคืนไปสู่ความว่างเปล่าเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่ามันมีความเครียดมีอาการอย่างวุ่นมีอาการอย่างนี้มีกุศลอกุศลอย่างุ่นอย่างนี้เป็นแต่อกุศล น, นะส่วนนั้นเป็นขันธ์หน้าหมดเลยเป็นกิริย า, าการเป็นขันธ์หน้าแต่เราแท้ๆวิญญาณแท้ๆที่ที่เป็นของแท้ไม่มีอาการไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้น พระพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้ง่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้ก็คือใจหรือจิตเติมแท้หรือวิญญาณแท้เนี่ยอยู่กับรู้หมดเราถามหลวงปู่เรียนอยู่กับรู้ถามหลวงปู่ลีตาหนังกะโลอยู่กับรู้อยู่กับผู้รู้หลวงปู่ดูนัตโลอยู่กับรู้หลวงปู่เทศก็อยู่กับรู้หลวงปู่เทศเทศลังสีวัดหินบาเป้งเนี่ยแต่รู้ได้ใจเป็นท่านเติมสร้อยแล้วแต่ท่านท่านเติมสร้อยว่ารู้ได้ใจเป็นกลางรู้เป็นอย่างเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่ใช่ว่าทำใจเฉยๆนะ อยู่ก็รู้รู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างคืออยู่ก็รู้ก็คือรู้นนแน่ๆเคยใจหรือจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแต่แท้ที่มีแต่มหาสุญญาตาจักรวาลเดิมมีแต่ความรู้แต่วา่างเปล่าดุจจักรวาลแล้วก็ทุกความรู้สึกเมืกมิจอารมณ์เกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่วา่างเปล่าทุกความรู้สึกเมืกิจอารมณ์ทุกขณะปฏิบัติเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าไม่ได้เกิดดับอยู่ใน ใจภายในที่ว่างเปล่าเลยนะเหมือนกับเกิดดับอยู่ในธรรมชาติอันเดียวกันที่ว่างเป็นความว่างธรรมชาติด้ความว่างเปล่าท่านอยู่กับใจที่ว่างเปล่าที่มีแต่ความรู้แล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดดับของมันไปตามธรรมชาติตามเหตุปัจจัยท่านจกล่าวว่าที่พระเจ้าตัดเทศธรรมชาติวันสุดกับอัจารย์อนกรญญว่า ให้เป็นกลางไม่ติดไปสองสองฝั่งไม่ติดไปสองสองฝั่งคือไม่ติดรักและไม่ติดชังไม่ติดทางการมาสุขาริตการโยกและไม่ติดทางอัตตกรมัทฐานโยกก็จะดับตัณหาได้ใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางเสร็จก็เลยเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นมีแต่ดับไปเป็นธรรมดา เห็นอย่างนี้ด้วยใจลำพึงกันมาเลยอัญญากุลัญญาว่ายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันต่างสิโรธะธรรมันติโอ้ไม่แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจิ่งเหล่านั้นดับไปไหมดเลยไม่เห็นมีอะไรเลยพระเจ้าตรัสเลยว่าอัญญากุลสัญญารู้แล้วหนอรู้แล้วหนอบรรุเป็นพระโสดาบันเลยพระเจ้าตัดเทศเรื่องอนัตตลกณะสูตรว่า สิ่งที่เกิดดับทั้งหมดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอ้ที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้ที่แสดงกิริยาการได้ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะอย่าไปหลงเอาไว้ตัวเนี้ยเป็นตัวเราอย่าหลงผิดตัวจะจับแพ้เหมือนกับตำรวจที่จับแพ้จับคนร้ายผิดตัวจะจับแพ้อย่าหลงเอาตัวเราที่แสดงกิริยาการได้คือเวทรูปรูกปังอนิจจังเวทนานิจจสัญญาณิจจสังขารานิจจวิญญาณังอนิจจ รูปังนอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสอนในอนัตตลักษณาสูตรอีกคนหนึ่งว่าอย่าหลงผิดตัวนะไอตัวตราที่คิดเย่งเย่งเย่ย่งเยงเย่งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเลยเราแท้แท้ไม่ใช่ตัวเราตัวนี้จิตเป็นเพียงอาศรีหลังจิตแต่แท้หรือวิญญาณแต่แท้หรือจะ่แเป็นอาศรีลังไม่สามารถที่จะ มีความรู้สึกแังกิจอารมณ์ได้ไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่จิตแท้ๆจิตแท้ๆไม่ใช่กันห้าปล่อยวางขันห้าเสียให้หมดสิ้นอย่าหลงยึดถือผิดตัวแก่นั้นแหละปัญจักขีดห้าบราลารลุพระอรหันต์เลยปล่อยให้ทุกอย่างเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, ดเองโดยไม่มีเจตนาเข้าไปปรุงแต่ง ไม่มีใครแทรกแสงสิ่งที่ปรุงแต่งเลยปล่อยทุกอย่างเขาเกิดเองดับเองไม่มีใครเจตนาที่จะคิดปรุงแต่งขึ้นมาและไม่มีใครมีเจตนาที่จะคิดแทรกแสงปล่อยทุกอย่างเกิดขึ้นเองและก็ดับไปเองเกิดเองดับเองโดยไร้เจตนาพูดของตัวเราที่จะเข้าไปปรุงแต่งคือไม่มีเจตนาจะคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาเอง ท่านลองมีความเป็นอยู่นั่งอยู่ที่นี่ท่านเจตนาจะคิดมาเยอะมากแล้วเจตนาที่จะปฏิบัติมามากแล้วเจตนาที่จะแสดงกับพยายามกัะทำอะไรเป็นอะไรมามากแล้วแต่สิ่งที่พวกท่านยังไม่เคยทำคือท่านจะต้องไม่มีเจตนาที่จะคิดขึ้นมาไม่มีเจตนาที่จะปรงแต่งอะไรขึ้นมาไม่มีเจตนาที่จะดิ้นหล่นค้นหาเหตุหาผลหาถูกหาผิดหาความเข้าใจใดๆ ไม่มีเจตนาที่จะทําอะไรให้เป็นอะไรต่อไปในปัจจุบันนี้เพราะในขณะนี้ท่านไม่มีความจําเป็นต้องไปตั้งใจคิดอะไรเป็นเวลาเลิกงานเป็นเวลาพักเป็นเวลาท่านมาฟังธรรมท่านจึงอย่าปรุงแต่งอย่าเป็นผู้ปรุงแต่งอย่าเป็นผู้แอคชั่นอะไรขึ้นมาปล่อยให้เขาเกิดขึ้นเองแต่กระดับไปเอง แม้แต่เราจะไม่มีเจตนาคิดแต่เขาก็ยังคิดอยู่อันนั้นไม่ใช่เราคิดเพราะเราไม่มีเจตนาคิดแล้วเราจะได้เห็นว่าอ๋อแม้เราเนี่ยตั้งใจแล้วอย่างแน่วแน่วนะนับแต่นี้ตอนนี้หน้าขณะนี้เลยเราไม่มีเจตนาจะตั้งใจคิดอะไรแล้วไม่มีเจตนาพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรแล้วแต่เราดูดิแม้แต่ท่านตั้งใจแน่วแน่เดี๋ยวนี้เลยว่าอ่ะนับแต่นี้ไม่ตั้งใจจะคิดแตะ ไม่ตั้งใจไม่มีเจตนาจะทำอะไรเป็นอะไรได้แต่ท่านดูสิท่านดับความคิดดับเจตนาดับอาการต่างๆได้ไหมเราไม่มีเจตนาแต่จิตเขาก็สแสดงเกิดเจตนาแสดงคิดสแสดงกิริยาแดดสแดงอาการต่างๆแต่แม้แต่เราไม่ได้เจตนาแล้วแต่ดับอาการของจิตไม่ได้เพราะเขาเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับของเราเขาเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วย่อมมีความ ดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันห้าจึงไม่ใช่ตัวเราแม้ท่านไม่มีเจตนาจะคิดแต่เขาก็คิดได้ในใจท่านไม่เชื่อท่านลองดูเดี๋ยวนี้เลยท่านไม่มีความตั้งใจจะพยายามทําอะไรเป็นอะไรแต่เขายังแอบทําอะไรในใจท่านไม่มีเจตนาที่จะสงสัยแต่เขาก็ยังสงสัยจิตเขาก็ยังสงสัยได้ ขันห้าเขายังสงสัยได้ท่านไม่มีเจตนาจะคิดตอนนี้เลยแต่ขันห้าเขาก็อยางคิดเมื่อท่านไม่มีเจตนาะแล้วไร้เจตนาะแล้วดังนั้นขันห้าจึงทํางานนอกเจตนาของท่านเขาจึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราเขาอยู่นอกเหนือตัวเราเขาจึงไม่ใช่ตัวตนของเราดังนั้นอนัตตาถึงแปลว่าอยู่นอกบังคับของเรา แล้วท่านจะพบว่าจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่เราเขาปรุงแต่งขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองแต่เราแท้แท้ไม่มีเจตนาจะปรุงแต่งแล้วแม้แต่ความรู้ก็ไม่มีเจตนาจะรู้ทั้งไม่มีเจตนาจะรู้และไม่มีเจตนาจะคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาเองแล้วก็รู้ขึ้นมาเอง เหตุใดยังรู้มาเองอ่ะก็เราไม่มีเจตนาคิดแต่เรายังรู้เลยว่ามันยังคิดอะไรได้ในใจเท่าที่เราก็ไม่มีเจตนาทั้งเจตนาคิดก็ไม่มีเจตนาู้กไม่มีเลยในขณะนี้แต่ท่านลองดูสิแม้ท่านไม่มีเจตนาจะคิดไม่มีเจตนาจะรู้ตัวท่านคิดปล่อยวางให้หมดเลยไม่มีเจตนาจะคิดไม่มีเจตนาที่จะรู้ไม่มีเจตนาที่จะดูไม่มีเจตนาที่จะเห็นอะไรทั้งหมด แต่ท่านดูสิถ้าไม่มีเจตนาท่านจะคิดไม่มีเจตนาจะรู้แต่ท่านก็รู้ว่าตัวท่านเอยังคิดอยู่เลยไม่มีเจตนาจะคิดมันก็ยังคิดอยู่เลยแล้วท่านจะรู้เองท่านรู้ได้ไงว่านี่ฉันไม่มีเจตนาที่จะคิดไม่มีเจตนาที่จะรู้แต่มันทําไมรู้ว่าตัวฉันคิดนี่เห็นไหมดังนั้นทั้งผู้คิดและทั้งผู้รู้จึงอยู่นอกเจตนาเราไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยการเห็นแค่นี้นะจึงสิ้นความหลงยึดร้านถือบ้านทั้งผู้รู้และทั้งผู้คิดที่ท่านกล่าวว่าพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้เนี่ยหลวงปู่ดูลยตตุโลว่าพบผู้รู้ ให้ฆ่าผู้รู้หลวงตามหาบัวญาณตมโนว่าพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้หลวงปู่ล่าเก็มอัปปโตปูเจ้าก้อว่าพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แทบจะทุกองพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้นี่ไงคือวิธีปล่อยวางผู้รู้คือ ท่านไม่มีเจตนาแม้จะรู้ไม่มีเจตนาจะคิดไม่มีเจตนาจะรู้ว่าตัวเราคิดแต่แม้เราไม่มีเจตนาจะคิดมันก็ยังคิดไม่มีเจตนาจะรู้ว่าตัวเราคิดมันยังรู้เลยว่าตัวเราเราไม่มีเจตนาจะคิดมันยังคิดอยู่เลยดูสิเราไม่มีเจตนาจะรู้ตัวเราคิดแล้วเรารู้ได้ไงว่าตัวเราคิดเจนว่าทั้งผู้คิดและผู้รู้ไม่มันอยู่นอกบังคับเราอยู่นอกเหนือตัวเรามันจึงไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราจรึงปล่อยให้ทั้งรู้ทั้งคิดมันเกิดขึ้นเองและดับไปเองโดยไรจติตนานั่นแหละพระเจ้าจึงตัด ก, กับปัญจคีวนา ว, วันรู้แล้วรู้แจ้งแล้วหนอบรรลุพอแสดงธรรมจบก็บรรลุพระนิพพาน ปล่อยว่าทั้งผู้รู้และผู้คิดไม่เข้าไปยึดถือทั้งผู้คิดและผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนก็งราตัวไปปล่อยให้ทั้งรู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้เขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเอ ง, เองฉันเคยแต่ ตั้งใจคิดคิดคิดคิดคิดเจตนาคิดคิดคิดคิดคิดตั้งใจที่จะดูตั้งใจที่จะรู้ตั้งใจจะเห็นตั้งใจที่พยายามจะทําไรเป็นอะไรตั้งใจหรือเจตนาจะดิ้นรนค้นหาพยายามจะบรรลุธรรมบรรลุนิพพานกันมาเยอะมากแล้วแต่สิ่งที่ท่านยังไม่เคยทำเถอะท่านยังไม่เคยปล่อยให้มันทั้งรู้ทั้งคิดขึ้นเองเวลาเจตนา